เขาบอกว่านักบริโภคกรารมผู้ที่ปรารถนากรารมนะพวกนี้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาทําทุกอย่างเหมือนว่าเขาตายไม่เป็นอุย้ยเขามีความสุขกับสิ่งนั้นมากวนะดอกไม้ซึ่งมันไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเหี่ยวเลยแต่เขาก็มีความสุขกับการดูการเห็นเหมือนกับว่าโอ้โหสิ่งนั้นเป็นอมาตะเลยอะ่ะท่านพวกวัตถุ ก, กรมนิยมจะเป็นลักษณะนั้นชื่นชมปรารถนามีความสุขเพลิดเพลินหลายท่านก็บอกว่าพวกนีก้คือคนสู้โลกว่านั้นนะ กัดฟันสู้ร้องห่มร้องให้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยอม่อมา น, นะถึงจะแพ้ขนาดไหนก็มกตอออีกนะโอ้ยนั่นะแค่สำนวนว่าตายคาวัตถุนั้นก็ไม่เลิอกอ่ะติดนับตีเกิดชาติใหม่อตออีกนะแต่ว่าจะด้วยเพศใดยอกไม่รู้นะจะเกิดในภพใดอีกไม่รู้แต่แย่งชิงต่อไปอีกหาไปอีกถามว่ายิ่งหานะมหาปัฏพีมันก็ยิ่งทับถมยิ่งทับถมใช่ไหมเพราะมันยังไง มันก็คือแผ่นดินน่ะนะไปไหนมันก็คือแผ่นดินน่ะต้องการอะไรมันก็คือแผ่นดินน่ะหมกมุ่นก็เลยถูกฝังอยู่ในแผ่นดินชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลถูกเผาแล้วเผาเล่าแต่ก็ได้ไม่เคยอิ่มสักทีหนึ่งก็คือคนที่เขาตายตายกันไปเนี่ยนะถ้าเราถามประวัติก่อนจะตายเขาบอกเขาพอหรือยังจริงๆรอ่ะที่เขาบอกว่าพอคือร่างกายเขามันไม่ไหวแต่ใจจริงจริงเขาไม่ได้พอนะเขาต้องการเขาหิวอยู่ตลอดเวลานะมันก็หาย อย่งพวกที่สมมติว่าเสพยาหรือว่าฉีดยาแล้วนอกตายเนี่นะถามว่าเขาพอใจแล้วใช่ไหมยางแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวเฉยเฉยเนี่ยนะมันยอมแพ้นะมันพวกที่ยอมแพ้ส่วนหนึ่งก็คือร่างกายไม่ไหวแล้วนนะก็แต่ว่าตันหานี่ไม่ไม่รู้จักแกใช่ไหยตันหาแก่เป็นไหมไม่เป็นเนี่ยนะแก่แต่เนี่ยร่างกายหรอกร่างกายนี่ก็ถ้าอยู่อีกพักหนึ่งมันก็ลืมเหมือนกันเน่ยนะลืมมาแก่แล้วเหมือนกัน ก็ลือมอ่อันนี้สมุทัยศัสตร์นะที่กล่าวไปทั้งหมดว่าตั้งคําถามแบบนี้ว่าสิ่งใดบ้างอ่ะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเนี่ยหาเจอไหมหาสักอย่างหนึ่งเถอะเว้นโลกุตระนะนนะเว้นโลกุตระไม่มีของเหมน็นเม็นก็ยังมีสัตว์บางชอกบางกลุ่มที่ไปชอบสิ่งที่เหมน็นเมนจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นของหอมของดีของประณีตเนี่ยนะสัตว์จริงังไม่ต้องการเนี่ยไง แม้กระทั่งถามว่าหลุมส้วมเราชอบไหมแน่นะถ้าคนอื่นมาถมเอาไปทำอย่างอื่นเอาไหมล่ะไม่ยอมอีกใช่ไหมสแสดงว่าเราก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดา น, นะติดหมดะติดมดะเช่อเห็นไหอันทีนี้มาดูทุกขสัตว์บ้างนะนะเพราะเมื่อกี้กล่าวสมุทัยสัตว์ลนะมาดูทุกขสัตว์หรืออาทีนวะ ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์นั้นปรารถนากามอยู่สัตว์นั้นมีฉันทะเกิดแล้วฉันทะคือพอใจเต็มที่แล้วนะเมื่อกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์ย่อมกระสับกระส่ายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกสอนแทงแล้วฉะนั้นคือกรียวว่าปรารถนาเนี่ยติดข้องในสิ่งนั้นมากเสร็จแล้วต้องเสื่อมจากสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นมันเสื่อมไปนะก็เป็นไง ก็กระสับกระสายแล้วเดือดร้อนนะ่ะเหมือนเหมือนถูกยิงอะ่ะะกวนกวายเหมือนถูกยิงเลยนะี่สมัยเด็กๆชอบไปยิงอยงนั้นนะ่ะยิงหนูโอ้โหถ้ามันถูกลูกศรเนี่ยมันมันดิ้นมันมันวนอยู่ในที่นั้นเน่ยของบางทีก็ถ้าคนเป็นๆหน่อยเขาจะไม่ยิงให้ตายหรอกเขายิงให้แค่แค่ไม่ตายนะมันจะได้ดิ้น มันจะได้ร้องให้มันเมื่อมันร้องมากๆมันจะเรียกพวกมันมาก็จะได้ยิงพวกมันต่อไปอีกนะเป็นวิธีอย่างเขาพวกล่าหนูเขาจะใช้วิธีนั้นส่วนหนึ่งนั่นน่ะมันก็ยิงให้มันร้องก่อนมันจะได้เรียกเพื่อนมาไม่ยิงให้ตายเลยเพราะถ้าผู้ที่ปรารถนาวัตถุกรามเนี่ยนะเมื่อปรารถนาเต็มที่เนี่ยนะเมื่อกามเหล่านั้นเสื่อมไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ก็ดูง่ายๆตอนญ้าติตายเนี่ยเป็นยังไงญา้าที่เราพอใจเนะอืยร้องห่มร้องให้กวนกวายหรือว่าของที่เราพอใจเต็มที่นะคนมีรถถ้ารถมันหายละ่ะร้องดิ้นอยู่ตรงนั้นแหลนะนะถ้าหรือมีบ้านแล้วบ้านถูกไฟไหม้นะสังเกตจากบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยโอ้โหเจ้าของเลยนะจะล้มจับให้ได้เลยนะร้องกวนกวายตื่นขึ้นมาก็คล่ำครวนต่ออ่นะ หรืออะไรก็ได้ที่สูญเสียนะที่ที่สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วมันสูญเสียไปเนี่ยอ๊ยเดือดร้อนทุกร้อนหน้าดําคร่าเครียดหดหดกวนกวายเนี่ยนะเป็นอันนี้ประกาศโทษนะประกาศโทษก็คือแสดงทุกข์สัตว์ว่าทุกขสัตร จ, รจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเสื่อมเป็นนะเพราะเคยเห็นกามไหนมันเที่ย ง, งมั้งไหมล่ะไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อไม่เที่ยงอ่ะสิ่งที่ไม่เที่ยงอ น, นั้นนั่นแหละ ถ้าสิ่งที่เราพอใจมากๆมันไม่เที่ยงอ่ะถามว่านํามาซึ่งความเดือดร้อนใจขนาดไหนเนี่ยนะจริงๆแล้ว่สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเราก็รู้ใช่ไหมแต่ทำไมญาติตายเราเสียใจล่ะนะของทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่ถ้าบ้านเราถูกไฟไหม้นะเรายิ้มไม่ออกอ่ะแต่บ้านคนอื่นเราก็เฉยๆใช่ไหมอะไรก็ตามที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสียหายเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนไปหมดเลยนะ ถ้าเป็นของคนอื่นนะคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนเราก็เฉยเฉยใช่ไหมแต่ถ้าของเรานะฝนเข้าตาหน่อยเรานี่มันยิ่งใหญ่แล้วเกินแต่นี่หัวฟ้าผ่าอะไรก็ตามถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเนี่มันหวัวมันใหญ่มากเนี่ยนะคนอื่นเขาหิวเป็นพันพันคนเราก็เฉยเฉยเลยแต่ถ้าเราหิวหน่อยไม่ได้เนี่ยนะคนอื่นเขาหนาวเท่าไหร่ก็ไม่ก็ธรรมดานะมันหนาวอ่ะอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราหนาวไม่ได้ถ้าคนอื่นหิวเราก็ธรรมดาถ้าคนอื่นอดนอน ก็ธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้เรายึดถือมากโดยเฉพาะวัตถุภายในเนี่ยนะถ้าสิ่งภายในเสื่อมไปนะสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสะเทือนใจให้แก่เรามากนะอะไรก็ตามถ้าเข้ามาในในในนนะถ้ายิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่นะ โ, โหสะเทือนใจมากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นน่นะทีนี้ก็อธิบายว่าภาษารีบท่านนิเทศว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากาามอยู่ คำว่าเมื่อสัตว์ได้แก่สัตว์ผู้เป็นกับสัตร์พรามแพทย์สูตรเครือหัดบรรปชิตเทวดาหรือมนุษย์ปรารถนาการอยู่คำว่าปรารถนาการก็คือเมื่อใครอยากได้ยินดีปรารถนามุ่งหมายชอบใจอนนะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ย่อมออกไปลอยไปเล่นไปเพราะกามตัญหาตัญหาเ น, นี่ยมันพาให้สัตว์เล่นไปเลยนะโดยมากนะถามว่าครั้งไหนมั่งที่เราออก ขยับตัวโดยที่ไม่มีตันหานําหน้าเนี่ยนะยากแต่ดีนะาาวนะเว้นไว้แต่เจริญสมถาวิปัสนาเท่านั้นแหละที่มันจะผ่อนเบาลงบ้างแต่ถ้าโดยปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็มันเนี่ยพาออกไปพาลอยไปพาเล่นไปเนี่ยตัวตันหานี่แหละขับเคลื่อนด้วยพลังตันหาเนี่นะถ้ารถก็ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายก็ขับเคลื่อนด้วยตันหานี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มันเจริญงอก ง, งามด้วยยางเหนียวในชะ่ไหมมันโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นก็อาศัยยางนั่นแหละ ที่ไปรลอเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเปรียบเหมือนมนุษย์ย่อมออกไปลอยไปเล่นไปด้วยยานช้างยานมา้ายานโคยานแกยานแยานพยานอูยานลาฉันใดไอเครื่องมือที่จะทำให้เดินทางได้นะสมัยนี้ไปทางรถทางเรือทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยโดยอาศัยยานพาหนะนั้นๆ่ะมูสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไปลอยไปออกไปเล่นไปเพราะกามตันหาตันหาพากระเสือกกระสนไปเนี่ยนะ ไปเพื่อจะดูสีบางอย่างอนะโห้ยตื่นแต่ดึกเพื่อจะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นโฮ้ยอาจจะมากมายไปนั้นนี่ไง <c oughs> ตื่นแต่ดึกเนี่ย น, นะฝุ่นก็ฝุ่นพายนั่นนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นโอ้ยเ <c oughs> ตือดร้อนขนาดนั้นเลยไปดูบางอย่างเนี่ยนะไปบางแก้วไปไม่ทันถึงกะ <c oughs> ต, ตายซะก่อนก็มีเนี่ยนะไปเสือกระสนไปแทบเป็นแทบตายเนีย่ยนะบางทีไปไม่ถึงหรอกไปเพื่อจะไปดูบางอย่างแค่นั้นนะไปเพื่อจะไปเที่ยวบางอย่างแค่นั้นเองนี่ไง มันก็ท่องเที่ยวไปสัไปเนี่ยนะทีนี้เมื่อสัตว์นั้นเกิดฉันทะแล้วฉันทะก็คือความพอใจในกามกำหนัดในกามเพลิดเพลินในกามความอยากในกามเสนหาในกามเร่าร้อนในกามหลงในกามติดในกามโอคะคือกามโยคะคือกามอุปาทานกามมุปาทานกามฉันทะนิวรณ์ความพอใจในกามเนี่ยเกิดเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นเฉพาะปรากฏแกสัตว์เหล่านั้น คือตัณหามันเต็มใจเต็มที่เลยนะสำนวนว่าเต็มที่กับสิ่งนั้นนะถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปสิ่งที่เราเต็มใจเต็มที่สิ่งที่เราพอใจเต็มที่สิ่งที่เราหวังเต็มที่เลยนะเคยไหมก็ไปไปเหมือนก็หวังว่าจะไปหาเพื่อนสักคนหนึ่งนะหวังเต็มที่อะที่พึ่งสุดท้ายว่า ง, งั้นแต่จะต้องไปเรื่องเนี้ยเสร็จ แ, แล้วไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะโอ้ยเหี่ยวเลยนะทุกข์สั่งมากเลยแหละ มันภาษาที่บทท่านจึงอธิบายว่าเมื่อกามเออกามเสื่อมไปเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนะคือกามเสื่อมจากสัตว์หรือว่าสัตว์เสื่อมจากกามจำนวนนนะถ้าเราอยู่เกี่ยวข้องกับบ้านนะพวกนี้เราไม่ตายจากบ้านบ้านก็พังไปจากเราอยู่กับคนเนี่ยนะวัตถุคือคนเนี่ยเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาอะหรืออยู่กับรถถ้ารถไม่หายเราก็หายไปจากรถนั่นไงก็เนี่ยน เ, นยนเนยพราะฉนั้นมัน ตัวความชอบของเราเนี่ยที่เราชอบมันก็เสื่อมเป็นสิ่งที่เราชอบแปลไทยๆว่ามันก็ตายเป็นะนะเนเราก็ตายเป็นถ้าเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราอ่ะมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละน่ะไม่รู้ใครจะตายก่อนใครอ่ะนะี่ในขณะที่ตอนพอพอใจนะตอนที่ชอบใจนะไม่ใช่ไปตอนที่ตอนที่แหมตายซะได้ก็ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาตอนที่พอใจเต็มที่อ่ะนนะ ตอนที่ไม่ใช่ว่าเออหายได้ก็ดีไปซะได้ก็ดีไม่ใช่อะอย่างนั้นเอาแบบกําลังเต็มที่อ่ะกําลังกลืนกินเสร็จสับเลยเนี่ยน ะ, ะถ้าจากตอนนั้นแหะแหมเดือดร้อนนี่แหละยมคนหนึ่งลูกเขาตายโอ้ยเขาเสียใจมากเนี่ยนะลูกเขาอายุสิบแปดสิบเ็ดสิบปดนี่ยนะครับเด็กดีจริงๆเลยนะมาตายเด็กเด็กเร็วๆไม่ตายสักทีอ่ะนะกิเลาเมายาติดยาไม่ตายอะ่ะตายลูกดีสินดี ลูแดาแม่ยังดีตายไม่ได้อย่างนี้ม แ, แม่ก็ร้องไห้ยายเลยเนี่ยนะทุกมา ก, ก น, นะบางทีก็ลูกตายไปจากแม่ก่อนบางทีแม่ก็ตายจากไปลูกก่อนบางคนเนี่ยโอ้ยยังตายไม่ได้คิดถึงลูกว่า ง, งั้นห่วงลูกไม่ยอมตายว่า ง, งั้ น, นนะลักษณะเนี่ยนมะันก่อนอาจารย์เกษใครเล่าอาจารย์เกยสอนเรื่องเล่าบอกแม้ขาก็ถูกตัดไปแล้วเนี่ยตายก็จะวายให้ได้บอกยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้นะีนะ จะขอเฝ้าร่างอันนี้ต่อไปเนียนะ่ยจะขอเฝ้ากายเน่าๆอันนี้ต่อไปเพราะนตายไม่ได้ตายไม่ได้โอ๊ยมันผูกพันขนาดนั้นมันยึดมันคล้องเนี่ยนะทุกข์มากๆเลยนะอืออือใช่บางคนนี่ก็รู้องฝ่ายหนึ่งจะตายนะทางนี้ยอมตายก่อนเลยนะ บางคนเนี่ยมีนะขนาดนั้นก็มีทา ง, ทางคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีนะถ้าฝรั่งเขาจะมีเนี่ยนะรู้ว่าอีกฝ่ายจะตายแล้วทางนี้ก็ขอตายก่อนนะมันเนี่ยทำใจไม่ได้ที่เขาจะจากเรานะแต่เราจากเขาไม่เป็นไรไม่รู้ใครเห็นแก่ตัวใครนะตันหามันก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละมันมีใครนี่หรอกถ้าตันหามันชอบนะมันเห็นแก่ตัวมากเลยอะ่ะ นะเพราะตัวตัวตนหาร่ะมันทำให้เราให้เห็นแก่แก่ตัวนะเห็นแก่ความพอใจเห็นแก่ความชอบใจนะเพลิดเพลินมาทีนี้มาพูดถึงว่าถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปกามนะคือรูปเสียงกลิน่นรสที่เราชอบอะเสื่อมไปหรืออะไรกพวก เครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มเสียไปพวกทาาทาสีเสียไปพวกแกะแพะไก่ช้างมา้าโคลาเสียไปนาเสียไปที่ดินหมดไปเงินทองหมดไปบ้านนิคมราชธานีแหวนแคว่งกองพลเสียไปกองทัพเสียไปเนี่ยนะสูญเสียเนี่ยนะก็คือจะสูญเสียด้วยเหตุเช่นถูกพระราชาริบหรือถูกโจรปล้นถูกไฟไหมถูกน้ําท่ว ม, น, มน้ํานพะัดเนี่ยนะไฟไหมเนี่ยเห็นชัดนะนะพวกพระราชาริบก็คือถูกถูกเขาริบซับเอาเนะี่ย จะเป็นถูกโจรรักนะนะก็คือถูกเขาปล้นเขาขโมยไปหรือถูกไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้เนี่ยนะบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยโอ้ยเจ้าของเงยร้องไห้ระ ง, งมเลยแหละน้ําท่วมก็เหมือนกันเนละเมื่อที่ไม่นานนี้ใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยที่น้ําท่วมเป็นยังไงร้องไห้กันระ ง, ง ม, มอะไรเงี้ยหรือว่าญาติอันไม่เป็นที่รักนําไปผลานบ้างอย่างเร่าลูกอ ป, ปรีจังไรพาไปเล่นเฉิบหายหมดอย่างเงี้ย น, นะโอ้ยเดือดร้อนเสียใจทุกใจมากนะ เขว่าได้ยินเสียงลูกมาเมื่อไหรนะ่เนี่ยทุกใจมากนะมันไปอีกแล้วมันมาอีกแล้วมารีดอีกแล้วเนี่ยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยนะมีลูกแต่ก็ไอยจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ไจะไม่ให้มันก็ไม่ได้มันลูกเราอะ่นะเนี่ยไอ้ข้อพ่อของเรานั่นแหละเพราะเราเนี่ยลูกเราอะ่ะเขาจะช่วยจะเลี้ยังไงก็ลูกเราันจ่ายไปให้ไปก็เนี่ยแหละมันมาผลาญทีก็เสียใจทีอนยะ่างนี้ ก็โทษลูกใหญ่เลยนะไม่โทษตัวเองที่ไปมีลูกอะไม่โทษอย่างนั้นนะทาไมฉันโง่จังนะฉันจึงมีลูกเนี่ยนะไม่คิดอย่างนี้หรอกลูกฉันทำไมมันเลวจังอ่ะพี่แต่อย่างไงนะตัวเองไม่ค่อยผิดนะเลยมากก็ไม่ค่อยมีตัวเองผิดหลักเชียอโน่นอะไปโทษโน่นโทษนี่โทษฟ้าโทษดินโทษเทวดาโทษผีสางนางไม้โทษญาติโทษพี่โทษน้องอะนะแต่ถ้าตัวเองให้อภัยได้เสมอใช่ไหมปกตินะแต่บางคนมันก็เกินไปเองนั่นแหละโทษแต่ตัวเองอะนะ เกิว่าหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอีกจนได้อ่ ะ, อะนะคิดจนตัวเองต้องเป็นทุกข์อะนะคนประเภทนี้ก็มีมีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าคนประชาชนโดยมากตัวเองไม่ผิดนี่นะนะแต่ก็มีเอกชนบางกลุ่มที่ว่าเออะโทษตัวเองหมดเนี่ยนะนะใช่ไหมหนูทําเองเนี่ยน ะ, ะทําไม่ทำมือ ห, หน่อยนะบนะางคนโทษตัวเองจนตัวเองป่วยอ่าโทษตัวเองจนป่วยอะนะจนเอาก็มีอ่ะลูกโยมคนหนึ่งไงเขาไปชวนลูกเขาศึกนั่นะ ลูกก็เป็นพระบวชอยู่เขาลูกคนเดียวก็เลยไปไปขอร้องให้ลูกศึกนะพูดจนลูกต้องศึกนะนลูกลูกศึกลูกมันก็ตายอ่ะพอลูกตายเนี่ยคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือพ่อนั่นแหละโอ้ยทุกข์ร้องให้ไปที่ไหนก็ร้องให้ตลอดนะเป็นโรคซึมเศร้าเงาหงายไปเลยอ่ะเขบอกว่าถ้าลูกเขาไม่ไปขอร้องให้ลูกศึกลูกไม่ตายหรอกเขาก็โทษแต่ตัวเองตลอดนะน่ะ ก็เพราเรานั่นแหละเพราเรานั่นแหละนะพวกนี้ก็ตรอมใจตาย